อตอนเด็กๆ เ, เคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระชการที่ห้านะแล้วก็มาอ่านตรงที่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตน ะ, ะชาวไทยก็เศร้าโศกเสียใจกันมากมาย อ, อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอ ตอนที่อ่านนั้นก็นึกภาพไม่ออกนะส่วนหนงพระยังเด็กด้วยแล้วเขาที่สำงันคือไม่เคยเจออันนั้นก็คือเมื่อร้อยหกปีที่แล้วนะแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยนะก็นึกภาพออกแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนะของคนไทยสมัยนั้นนะเพราะว่าพอในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ย สวรสคตนะผู้คนก็เศร้าโศกเสียใจกันทั้งแผ่นดินบรรยากาศอาจจะยิ่งกว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก็ได้นะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนคนที่ผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่5้าก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพพอสมัยก่อนเมืองไทยก็ไม่ได้ มั่นคงนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนสมัยนี้นะสมัยนั้นเชียงใหม่ก็ยังถือว่าเป็นประเทศสราชนะเพราะนั้นความเศร้าโศกเสียใจนะก็จะจำกัดอยู่ในพื้นที่หนึ่งนะไม่เรียกว่าทั้งประเทศแต่ก็มากพอที่จะทำให้ผู้คนก็บันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นความเศร้าโศกเสียใจครั้งใหญ่หลวงนะ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เนี่ยนะมันยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเอาคนไทยก็รู้สึกร่วมกันทั้งประเทศนะข้อมูลข่าวสารนะโทรทัศน์วิทยุนะรวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่เหนือใต้ออกตกเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันกันในหลวง อันนี้พอพระองค์สวรรคตเนี่ยก็จมเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นล้นพ้ น, น ย, ยิ่งกว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยในหลงรัชกาลที่ห้าท่านก็ประชวนไม่กี่วันนะอาจจะมีอาการมามาหลายปีแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับพักรักษาตัวนะแต่พอประชวนจนถึงขั้นว่าต้องรักษาตัวเนี่ย ไม่กี่วันเท่านั้นแหละนะไม่กี่วันเท่านั้นแหละก็สวรรคตนะนะซึ่งค่อนข้างเร็วมากนะในความรับรู้ของคนไทยสมัยนั้นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีการออกข่าวด้วยนะเพราะไม่มีวิทยุโทรทัศนะ์แต่ว่าในกรณีของพวกเรานี่พวกเราก็รับทราบการประชวยของในหลวงมาหลายปีแล้วนะ แล้วก็คอยเอาใจช่วยเราสวดมนต์ถวายพระพรเป็นพระกรุกลนี่ก็หลายครั้งนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของติตใจก็ยอมรับความจริงได้นะว่าสักวันหนึ่งวันนี้ก็ต้องมาถึงและพอมาถึงแล้วก็แม้ยังแม้เตรียมใจไว้แล้วแต่ก็ยังมีความเศร้าโศกอะไรอววรแต่ว่าก็คิดว่าคงจะไม่ถึงกับ เป็นเรื่องที่ช็อก ค, ความรู้สึกนะเหมือนกับสมัยรัชกาลที่ห้านะซึ่งอย่างที่บอกนะแม้กระทั่งพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ทันได้เตรียมใจนะพระราชคณะชั้นสมเด็จพระราชคณะที่มาสวดในเพื <c> ่อ <oughs> ทาพิธีสัตปรกรในคืนแรกเนี่ยนะของในรัชกาลที่ห้านี่ก็ หลายองค์ก็หลายท่านก็สวดไปก็ร้องไห้ไปบางท่านก็สวดไม่ออกนะบางท่านก็เสียงสั่นเครือนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยหปีที่แล้วนะเมื่อในหลงรัชกาลที่5นะสวรรคตแต่ที่อย่างไรเนี่ยน ะ, ะทุกวันนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยพวกเราก็มีความเศร้าโศกเสียใจนะอะไรอาวรณ์ก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อวานนี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าบางคนอาจจะทําใจได้นะก็อย่าไปอย่าไปค่อนขอดแค้นค่อนแค่คนที่ยังเสียอกเสียใจบางคนอาจถึงกับร้องหม่มร้องไห้นะว่าเธอปฏิบัติธรรมยังไงกันนะทำไมถึงยังร้องไห้อยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาค่อนขอดกันนะแต่เป็นเวลาที่จะแสดงความเห็ เห็นอกเห็นใจนะต่อ ก, กันให้เราไม่เศร้าโศกเราทําใจได้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าคนที่เขายังเศร้าโศกเสียใจก็เห็นใจเขาแล้วก็พยายามช่วยเหลือเขามีเมตตาต่าอเขาข้าราชกันคนที่เศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะซึ่งก็มีมากมายทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ก็ต้องตระหนักนะว่าคนเราเนี่ยก็มีวิธีการแสดงความเศร้าโศกไม่เหมือนกันนะมีวิธีการแสดงความเศร้าโศกไม่เหมือนกัน ก็เหมือนกับเวลาพ่อหรือแม่ตายเนี่ยลูกแต่ละคนก็มีความแสดงความเศร้าโศกไม่เหมือนกันบางคนก็ซึมไม่เป็นอันทาอะไรแต่บางคนก็ยังสามารถไปทำงานได้จะไปบอกว่าคนที่ไปทำงานได้เนี่ยนะเขาไม่เสียใจที่พ่อแม่ตายหรือไงนะเขาก็เสียใจนะแต่ว่าเขาทำใจได้แล้วเขาก็หรือถึงยังทำใจไม่ได้แต่เขาก็ถือว่าอ่า การไปทํางานการใช้ยุติธรรมปกติเป็นสิ่งสําคัญนะการแสดงความเศร้าโศกเนี่ยมันก็มีเรื่องของประเพณีทำเนียมเข้ามาด้วยนะซึ่งก็ช่วยทําให้เราสามารถจะแสดงความเศร้าโศกได้นะอย่างเช่นการแต่งกายเนี่ยคราวนี้เรื่องของประเพณีนะมันก็ มีความแห็นแตกต่างกันไปนะมีการประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันไปก็อย่าถือเอาไปเป็ น, เ, ปนเหตุให้ทะเลาะ ก, กันนะเช่นบางคนเนี่ยนะเขามีความเชื่อมีความคิดว่าเนี่ยการที่จ ะ, ะไว้ทุกข์หรือว่าถวายความอะไรกับในหลวงเนี่ยนะควรจะใส่เสื้อหรือชุดขาวนะตามประเพณีประเพณีไทยแต่ว่า หลายคนก็คิดว่าควรใส่ชุดดำนะเพราะว่าคุณเคยกับประเพณี้มาประเพณีนี้ม า, ะ น, น, มานะก็อย่าไปถึงขั้นทะเลาะ ก, กันนะว่าทำไมเธอไม่ใส่ชุดขาวทำไมใส่เสื้อขาวทำไมใส่เสื้อดำนะอันนี้เนี่ยอย่าให้อย่าไปยุตติกับประเพณีมากจนเป็นเหตุให้อาทะเลาะบอกแวงกันนะพราะนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาทะเลาะ ก, กันนะจะไปบอกว่า ไม่เคารพในหลวงไม่รักในหลวงนะอันนี้ก็คงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนะดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีในจะไปมองคนที่เขาแสดงความเศร้าโศกแตกต่างจากเราว่าเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีนะ mm hmm. อย่างที่บอกคนเราก็มีความมีการแสดงออกแตกต่างกันในช่วงเวลาเช่นนี้นะเล่าไปแล้วนะ ตอนทมวัดว่าในสายพุทธกาลเนี่ยตอนที่พรเจ้าจะเสด็จดับคันปรณิพานเนี่ยพระหลายลูกก็นั่งปรึกษากันปรับทุกข์ปรับทุกข์ ก, กันเพราะว่าทำใจไม่ได้ขณะที่มีพระลูปหนึ่งท่านก็เห็นว่าเวลาเหลือน้อยแล้วต้องรีบปฏิบัติธรรมทำความเพียรพระที่เหลือพอ ร, รู้เข้าก็ํำหนีหาว่าไม่จงรักภักดีอ่า พระพุทธเจ้าถึงกลับไปถูดฟ้องพระองค์เลยนะพระองค์ก็ให้เรียกตัวมาแล้วก็สอบถามพอทราบเหตุผลก็พระองค์ก็อนุโมทนาสาธุการนะถือว่าดีแล้วนะจะมามัวเศร้าโศกจนกระทั่งมาปรับทุกข์กันแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำก็ไม่ถูกพระองค์ที่ท่านไปทำความเพียรนี่ท่านก็เศร้าเสียใจนะแต่ท่านก็รู้ว่า นี่เป็นเวลาที่ต้องเร่งทําความเพียรขณะที่ผู้เจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เพราะนั้นเนี่ยในกรณีของเราก็เช่นเดียวกันน ะ, ะคนเรามีความเศร้าเราก็แสดงความเศร้าด้วยวิธีการที่แตกต่างกันด้วยการประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่าไปมองว่าใครที่เศร้าไม่เหมือนเรานะก็ เ, เป็นคนที่ไม่พักดีหรือว่าใครที่ ใส่เสื้อไม่เหมือนเรานะหรือว่าไม่มีการาติดสีดำนะในเฟซบุ o กเนี่ยนะเขาไม่พักดีนะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายท่านนะก็เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำบ้างหรือว่าเป็นภาพเกี่ยวกับข้อความสแสดงความจงรักภักดีเช่นขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปบ้างอันนี้ทำก็ดีแล้วนะแต่คนอื่นไม่ทำเนี่ย ก็อย่าไปมองว่าเขาไม่ได้เศร้าโศกเขาไม่พักดีนะเขาก็มีวิธีการของเขาในะในการที่จะแสดงความเศร้าโศกนะเมื่อไม่เหมือนกับเราก็อย่าไปอย่าไปดูอย่าไปค่อนขอดต่อว่าเขานะตอนนี้มันก็มีเรื่องประเพณีเข้าม า, มากนะซึ่งคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะถ้อยคําบางอย่างก็มีการถกเถียงกันว่าควรใช่ไหมเช่น ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไยเนะี่ยบางคนก็บอกว่าจะใช้ได้กัตอนที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพนะแต่บางคนบอกว่าก็ใช้ได้นะอันนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาเนะถียงกันก็พูดถึงเรื่องของวิชาการเหตุผลก็ดีแล้วแต่ว่าจะถึงขั้นโกรธเกลียดกันนะเพียงเพราะว่าคิดไม่เหมือนกันในเรื่องการแสดงความจงรักภักดีหรือการแสดงความเศร้าโศกต่อการที่ในหลวงนะสวรรคตนะ เพราะวันนี้ไม่ใช่เวลาไม่ใช่โอกาสที่จะมาทะเลาะกันเรื่องนี้นะในกรณีการถึงแม่เขาจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจนะก็อย่าไปว่าเขาว่ายไม่รักในหลวงหรือไงนะถึงไม่เศร้าโศกนะนคนเราธรรมชาติคนเราเนี่ยใครทำอะไรไม่เหมือนเราเราก็ว่าเขาคนที่ทําใจได้นะก็ไปว่าคนที่ยังทําใจไม่ได้ว่าปฏิบัติทำยังไงนะ ไอ้คนที่ทําใจไม่ได้เศร้าโศกก็ไปว่าคนที่ทําใจได้ว่าไม่รักในหลวงลืงไงนะมันผิดทั้งคู่นะเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่รู้จักดูจิดูใจของตัวเองหรือว่าเป็นการไปด่วนตัดสินคนอื่นมันก็เหมือนกับเวลาเราปฏิบัติธรรมนะมาวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นบางคนเขาไม่ยกมือสร้างจังหวะไม่เดินจงกลมนะก็ไปตําหนิเขาอาจจะพูด ให้เขาได้ยินหรือว่าตำหนิในใจว่าทำไมไม่ปฏิบัติธรรมอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเราก็ปฏิบัติธรรมถ้าเขาไม่ทําหน้าที่ของเขาสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเขาไม่ทําหน้าที่ของเขาก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราใครจะแสดงความจงรักภักดีแตกต่างกันไปสแสดงความเศร้าโศกไม่เหมือนเราก็เป็นเรื่องของเขาหรือว่าเขาจะไม่เศร้าโศกเลยเพราะเขาทาใจได้หรือเพราะเขามีเหตุผลได้ก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเขา มันไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะในฐานะที่เป็นาชาวพุทธในฐานะที่เป็นประสงฆ์นิกาน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพร